หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงเอื้อมระอาด้วยอํามาตย์เหล่านั้นว่าโอ้ยทําไมมันชูลูกหลานชูโชคมันเต็มขนาดนี้องนั้นไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกหลานชูชคมันน่าเบื่อเหลือเกินอย่างนั้นก็เลยผนวดเลยอํามาตย์ทั้งหลายก็เจริญด้วยอิสริยยศใหญ่อย่างนี้อำมาตย์เหล่านั้นอาําอมาตย์คนหนึ่งก็ไปทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงพระราชาทานชนบทชื่อนโน้นให้แก่ข้าโรงขนาดบวชไปแล้วนะยังมีคนมาข อ, อขว่าอ้ยแควนนั้นนะขอเธออย่างนั้น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 ในการปรึกษาในที่อยู่หรือที่ยืนในการไปในการเที่ยวย่อมมีในถามกลางแห่งสหายบุคคลเพ่งความประพฤตตามความพอใจที่พวกบุรุษชั่วช้าไม่เพ่งเลงแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดโนราชนั้นอธิบายว่าการปรึกษาโดยประการนั้นโดยในนิยะนี้ว่าท่านจงฟังสิ่งนี้ของข้าพเจ้าอามาดนี่มาถึงเลยขอให้พระองค์ฟังเรื่องนี้ก่อนพระเจ้า่าง น, น เสร็จแล้วอีกคนนึ่ก็มาขอขอจงให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าเป็นต้นเดี๋ยวอีกคนนึงก็มาขออีกคนหนึ่งก็ขอน่นขอนี่มีแต่นักขอลูกหลานชูชกทั้งนั้นเลยนะก็เดี๋ยวมีคนมาประท้วงขอน่นขอนี่ขอนัน่นขอนูน่นประท้วง ข, ข, ข, ข, ข, ขออยู่นั่นแหละแม่จะจะสนุกได้ยังไงนะชีวิตเนาะแล้วก็บางทีก็นักขอทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ตามขอไม่ว่าจะขอในที่พักกลางวันในที่ยืน ในการบำรุงใหญ่ในการไปสู่อุทยานในการเที่ยวไปในชนบทย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้ดำรงอยู่แล้วในท่ามกลางสหายก็คือถ้ายังอยู่ท่ามกลางสมัครพรรคพวกกันะคนที่มีอำนาจหน่อยเนี่ยนะไปที่ไหนก็ถูกตามรุมขอว่ากันตามของานทุกงานก็มีคนที่มาเสนอขอทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะนะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะนะก็ชีวิตเหมือนกับว่า เหมือนกับเป็นเป็นเนื้ออ่ะเป็นอะไรที่ที่ลงไปในน้ําบอ่อน้ําที่ปลิงเยอะๆอ่ะมันตามสูบตามดูตามขอตามอ้อนตามบอลตามขอตามร้องตามโอ้ยสารพัดอยู่นั่นหมดนะเราก็เลยเบื่อหน่ายในการปรึกษานะั้นที่จริงไอ้ปรึกษาแล้วว่ามาขอนี่ยนะคือไอ้คนที่ขอก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันแห้งแรงมันกันดานมันไม่มีแต่ว่ามันโลภมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเนี่ยนะทั้นในท่ามกลางสหายแบบนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน เมื่อเล็งเห็นการบรนประชาการบวชที่มีอ น, นิสงส์มากมีสุขโดยส่วนเดียวอันอริยชนมีพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้ า, พ, จาพุทธส า, าวกทั้งหลายเสดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นบรนประชาที่ชนทั้งปวงที่ถูกความโลภครอบงาคนโลภไม่ต้องการนะบวชเนี่ยการบวชที่ไม่มีอะไรคนโลภไม่ต้องการคนโลภไม่ปรารถนาและเพ่งความประพฤติตามความพอใจ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 ปราลบวิปัสสนาก็เลยบรรลุพระปเจกับพรุทธเจ้าคือคือในหลักการทางธรรมะเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะ ถ, ถ้าเราพูดถึงในทางพระปัเจกับพุทธเจ้าหนึ่งท่านน้อมไปเพื่อกายาวิเวกท่านไม่สันโดษอยู่แค่กายาวิเวกเห็นความเปลี่อนกลนอกุศลวิตกกับคนอยู่ในสมาคมพวกมันพอๆกันก็เลยเห็นโทษของจิตที่ไม่วิเวกน้อมไปเพื่อจิตวิเวกแล้วก็เห็นโทษของสังคตะธรรมอีกครั้งหนึ่ง ว่าสังคตาธรรมนี้มันเกลื่อนกลลไปด้วยสังขารธรรมก็เลยปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดก็เรียกว่ากายาวิเวกจิตวิเวกน้อมไปเพื่ออุปทิวิเวกในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งวัตถุบรรลุเป็นพระปจเจ ก, กบรรลุปัจเจ ก, กกะโพธิยามโดยลําดับเนี่ยนะเมื่อไหร่เนอะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอาได้อ่านได้ฟังก็เอบุญนะ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 เมื่อเห็นเมื่อตรวจเมื่อเพ่งดูเมื่อพิจารณาดูถึงบรรประชาอันให้ถึงความเป็นเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นบรรประชาอันให้ถึงความเป็นเสรีทั้งธรรมะเสรีและบุคคลเสรีที่คนชั่วไม่ปรารถนาพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดนะเที่ยวไปด้ยวยมักแปดนะไม่ใช่ไปคนเดียวมีพักมีพวกอะไรเลยนะมีแคนน่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 แต่อย่างไรก็ตกต่ำ ม, มากแล้วเนี่ยนะแต่ในที่นี้หมายถึงว่าธรรมะเสรีกับผู้ที่มีธรรมะเสรีเรียกว่าบุคคลเสรีเนี่ยนะแต่ถ้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้คือคนอนาถาไร้ที่พึ่งมา